ความจริงศีลประเภทนี้มีในทุกยุคสมัยตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้เช่นกุลธรรมและเทศธรรมกุลธรรมคือหลักความประพฤติประจำตระกูลเผ่าชนวันนะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างที่ปัจจุบันเรียกจัญญาบันหรือจัญยาธรรมของอาชีพหรือของสถาบันเทศธรรมคือจัญยาธรรมของถิ่น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 สมัยหลังๆนิยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านว่าศีลสิบในวินัยปิฎกท่านจำกัดความคำว่าสัมเนยและสัมเนียรีอย่างง่ายๆว่าทศสิกขาปฏิกะและทศสิกขาปฏิกาตามลำดับแปลว่าผู้รักษาศิกขาบทสิบภาวะที่ดำรงอยู่ด้วยดีหรือประพฤติ ด, ดีโดยไม่ละเมิดวินยัยคือไม่ละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินยัยนั่นแหละ เรียกว่าศีลความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีลแยกออกได้เป็นสองด้านคือการฝึกหัดขัดเกลาวตนเองเพื่อความก้าวหน้าในคุณธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างหนึ่งและการกำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวิัยของพระสงฆ์ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่นความสำนึกอย่างแรก คือการฝึกหัดขัดเกลารตนเองนั้นพอจะมองเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วส่วนที่ควรย้ําไว้นะที่นี้คือการคํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือของผู้อื่นเมื่อมีพระพิสุกกระทําการไม่ดีไม่งามขึ้นสมควรจะบัญญัติขาบทพระพุทธเจ้าทรงประชุมสง์สอบสวนผู้กระทําการได้ความสมจริงแล้วจะทรงชี้โทษของการกระทํานั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อภาษาทะ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 ประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสนั่นเองเพราะภะษาะคือความเลื่อมใสความผ่องใสความแช่มชื่นแจ่มใสโปร่งสบายของจิตใจความสดใสฟูใจมั่นใจที่เราจิตให้หันมาพอใจสนใจใส่ใจในคนในเรื่องที่ดีงาม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 ที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเช่นในอนเนนชะสัพปายาสูตรมัชมนิกายอุปริปันาฏพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าอนเนนชะสมาบัติได้ในบัตดนี้หรือไม่ก็น้อมดิ่งไปเพื่อปัญญาในอุปสถสูตรอังคุตรนิกายติ ก, กนิบาต พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกนางวิสาขาว่าเมื่อระลึกถึงตถาคตจิตก็ผ่องใสเกิดปราโมทและละอุปกิเลตของจิตได้เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้งพระองค์ส่งค่อยๆสอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนผู้นั้นมีจิตที่คล่องสบายนุ่มนวลปลอดจากนิวรณ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 เป็นการเคารพธรรมเคารพวินัยนั่นเองด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในเหตุผลอย่างเคร่งครัดการอ้างว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่จะเป็นต้องรักษาศีลขาบทข้อนั้นข้อนี้หรือจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะจิตไม่ยินดีนร้ายอย่างนี้เป็นต้นย่อมมิใช่ลักษณะของอริยชน